เรื่องนอสตราดามุสตีทคนเราชอบดูหมอเพราะชอบให้ใครสัก อย่างน้อยมีคนมาบอกให้รอเดือนนั้นปีๆไปเลยเมื่อ แล้วแต่ว่าฟังแล้วจะเกิดอารมณ์รุนแรงเช่นมนุษย์เป็น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ตั้งความหวังรออนาคตที่ดียิ่งๆขึ้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อยากรู้อยากเห็นเกินตัวไม่เชื่อลองไปถามหมาแมวใกล้ตัวดูสิครับมีไหมที่พวกมันนั่งฝันนอนฝัน ท่านชีวิตมีความสุขอยู่กับการรอ พวกเรารอเพราะมนุษย์มนุษย์นึกว่าเหตุการณ์ภายนอกเท่า ที่นำสุขทุกข์มาให้เหตุการณ์ภายใน หมอดูๆ บางคนตกงานไม่ทราบจะทำอะไรก็ยึดอาชีพหมอดูนี่แหละแล้วลูกค้าทั้งหลายก็เหลือเกินชอบดูหมอหลายๆเจ้าแม่นไม่แม่นไม่เป็นไรขอเปรียบเทียบเพื่อหาจุดร่วมที่ตรงกันหากโดนทายทักตรงกันหลายๆอย่างไรก็ตามผมเป็นพวกชอบหาข้อดีในสิ่งที่ตัวเองต่อต้านอาจจะเพื่อเอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองสนับสนุนและอีกอย่างไม่ใช่มองโลกด้วยแว่นหลากสี ที่ทําให้อะไรเบี้ยวบิดผิดๆ คือพอเจอแต่คลื่นมรสุมซัดลูกแล้วลูก พวกหมอดูจะรู้หรือไม่รู้จะพูดหรือ ที่แต่อีกส่วนหนึ่งที่แม่นอย่างเหลือเชื่อก็มีใจว่าทําไมตัวเองไทแม่นก็มีแต่ แต่ยังรู้หรือไปกว่านั้นว่าทําไมคนคน ตลอดจนการงัดข้อกันระหว่างน้ำหนักกรรมๆเลย เทียบกันอยู่นิดเดียวระหว่างอาชีพสุติฤทธิ์กับ พิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าๆ ประโยคทิ้งท้ายดวงดีมาจากกรรมดีแค่รู้เมื่องหลังอย่างนี้ก็มีสิทธิ์เป็นหมอดูระดับโลกแล้วคนคือกันแม่ดวงละดาวจะไม่เพราะแสงแม่วันนี้จะอ่อนราย ขอให้มั่น